สวัสดีค่ะพี่น้องในพระเยสุคริสต์สวัสดีค่ะเป็นการดีที่จะสรรเสริญพระเจ้านะคะถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีสําหรับดิฉันในวันนี้ที่ได้ไปยืนแบ็กอัพให้กับผู้นําน้มาสการในการร่วมนมาสการเพราะดิฉันก็เป็นคนหนึ่งในทีมนมาสการนะคะแล้วเมื่อดิฉันมายืนอยู่ตรงนี้ไม่ได้รับสิทธทิพิเศษอะไรเลยนะคะ เพียงแต่ว่าได้รับเกียรติให้มาแบ่งปันพระวจนะของพระเจ้าให้กับพวกเราในบ่ายวันนี้นะคะก่อนที่เราจะมีโอกาสได้รับฟังนั้นเดียวอยากจะให้เราร่วมใจสงบใจในการอธิษฐานด้วยกันนะคะข้าแต่พระเจ้าเราขอสรรเสริญพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดรงเป็นผู้เดียวที่สมควรได้รับการสารรเสริญขอให้เสียงเพลง และการนำพิธีการมที่ออกมาจากใจข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นเครื่องบูชาที่โปร่งส่งโปรดปรานและขอให้พระวจนะของพระองค์ในบ่ายวันนี้จะเปิดเผยความจริงเพื่อข้าพเจ้าทั้งหลายจะได้สามารถนำสิ่งที่มีอยู่ในตัวตนของข้าพเจ้าทั้งหลายออกมาสู่การสรรเสริญพระองค์ได้มากยิ่งขึ้นขอพระองค์เป็นพระญานบุสุขเจ้าผู้ทรงเปิดเผยความจริงนั้นให้กระจายแจ้ง ในชีวิตของพี่น้องของเราแต่ละคนในบ่ายวันนี้เราสรรเสริญขอบพระคุณโปรสนสรรเสริญโปรในพระนามพระเยซูริเจ้าอาเมนเดือนนี้ยังเป็นเดือนที่เราเน้นเรื่องการนมัสการแล้วก็บทเพลงแห่งการสรรเสริญ น, นะคะแล้วก็ที่ฉันได้เลือกหัวข้อที่นําพี่น้อง หัวข้อนั้นก็คือเป็นการดีที่จะสรรเสริญพระเจ้านะคะดิฉันอยากจะให้เราหันไปหาคนที่อยู่ข้างๆคันทางซ้ายและทางขวาพูดประโยคนี้ด้วยกันดีไหมคะเป็นการดีที่จะสรรเสริญพระเจ้าบอกสั ก, กันระกันเลยค่ะดิฉัอยากจะบอกว่าวันนี้นะคะเป็นคําพูดที่อยากจะให้เราจดจําไว้เพื่อ จะนำวิถีการดำเนินชีวิตของเราแล้วก็วิถีทางของเราก็จะราบรื่นด้วยนะคะมีเรื่องเล่าว่าวิลลี่วิลลี่ไมริกอันนี้เป็นเรื่องจริงนะคะที่ถูกบันทึกไว้ในหนังสือมานาตอนหนึ่งได้กล่าวว่าเด็กชายอายุเก้าขวบชื่อว่าวิลลี่ถูกลักพาตัว จากถนนด้าบ้านของเขาเองแล้วเขานั่งรถไปกับคนร้ายหลายชั่วโมงโดยที่ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของเขาระหว่างนั้นนั่นเองเด็กชายเวลลี่ตัดสินใจร้องเพลงบทหนึ่งบทเพลงนั้นชื่อว่าทุกคำสรรเสริญพอเขาร้องซ้ำๆซ้ำๆ โจนคนนั้นก็สบทคคำหยาบคายแล้วก็สั่งให้เขาเงียบในที่สุดโจนก็หยุดรถแล้วก็ปล่อยตัววินลี่ไปโดยไม่ได้ทำอะไรกับเขาเลยสักอย่างเดียวอันนี้เป็นเรื่องจริงเราคงไม่อยากจะเป็นเด็กชายวิลลี่ที่ถูกลักพาตัวแต่เป็นเรื่องจริง ที่เด็กชายคนนี้ได้เป็นพยานเพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าว่าในขณะที่เขาเกิดเหตุวิกฤตที่อันตรายต่อชีวิตของเขานั้นเขาไม่รู้จะช่วยตัวเองอย่างไรแต่มีสิ่งเดียวที่เขาทําได้ก็คือเขาร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าด้วยบทเพลงที่เขาจะจดจาได้และในที่สุดพระเจ้าเท่านั้นเป็นบุคคลเดียว และเป็นผู้เดียวที่ทำการอัศจรรย์ของพระองค์ได้ในชีวิตของเขาในวันนี้ดิฉันเองอยากจะให้เรามีโอกาสได้มาดูว่าเป็นการดีสักเพียงไรที่เราจะสรรเสริญพระเจ้าในยามใดบ้างข้อแรกเป็นการดีที่เราจะสรรเสริญพระเจ้าในยามที่เราสำนึกในพระคุณเมื่อกี้นี้เรามีโอกาสได้อ่านโคลสีไปแล้วนะคะในบทที่สามเราเห็นว่า หนังสือโคลสีนั้นในบทที่สามข้อสิบห้าเรียกร้องให้เรามีใจกระตันอยู่นั่นหมายความว่าเปาโลกาลังเรียกร้องให้เราสำนึกในพระคุณของพระเจ้าด้วยการขอบพระคุณยังไม่พอนะคะด้วยการสรรเสริญพระเจ้าเมื่อกี้ัรเห็นข้อบัญพีที่ผู้นำได้ให้เราอ่านนะคะการสรรเสริญพระเจ้าด้วยเพลงสดุดี แล้วมีเพลํนมัสการด้วยนะคะปกติแล้วถ้าเป็นคำที่แปลมาจากภาษากรีกก็คือเพลงนมัสการและเพลงสรรเสริญพระเจ้าที่ออกมาจากใจเป็นการดีที่เราจะสรรเสริญพระเจ้าในเวลาที่เรารู้สึกสานึกในพระคุณของพระเจ้าถ้าดิฉันให้ทุกท่านที่นั่งอยู่ที่นี่มีโอกาสได้ขอบพระคุณพระเจ้าสักเรื่องหนึ่ง เฉันเชื่อแนะว่าดิฉันต้องลงจากที่ประชุมนี้ค่ะคือปล่อยให้ทุกท่านมีโอกาสได้ขอบคุณพระเจ้าเพราะว่าคําขอบคุณพระเจ้าของพวกคุณทุกคนแต่ละข้อหรือแต่ละอย่างนั้นมีความหมายยิ่งนักในชีวิตเพราะว่ามันทําให้มันออกมาจากใจของเรามาจากชีวิตที่เราไปมีประสบการณ์กับพระเจ้าโดยตรงโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสํำนึกในพระคุณของพระเจ้าที่ทรงโปรดช่วยเราให้รอดพ้นจากความผิดบาปซึ่งเรา เป็นผู้เดียวที่สมควรจะได้รับกรรมเวนั้นแล่เราขอบคุณพระเจ้าค่ะที่กังเขต น, นั้นคือพระเยซูคริสต์เป็นผู้เดียวที่รับโทษบาปจากเราทั้งสิน้นและชาระเราให้พ้นจากกรรมเวนั้นเราไม่จำเป็นจะต้องมารับผลกรรมเวนั้นอีกต่อไปมีสิ่งที่น่ากลัวมากสำหรับพวกเราในฐานะที่เราเป็นผู้ที่รู้จักกับพระเจ้า หรือแม้แต่ถ้าเราไม่รู้จักพระเจ้าบางครั้งเราพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือผู้มีอำนาจทัากหลายแล้วเรามักจะทึกทักเอาเองว่าเราสมควรจะได้รับการช่วยเหลือเราสมควรจะได้รับพระคุณของพระเจ้าตลอดเวลาพระเจ้าควรทําการดีของพระองค์เหมือนบทเพลงที่เราร้องว่าพระเจ้าดีตลอดเวลาตลอดเวลาพระเจ้าดีฉะนั้น พระเจ้าจะต้องไม่ให้สิ่งที่เลวร้ายเกิดขึ้นกับเราพระเจ้าต้องอวยพรเราพระเจ้าจะต้องทรงพระคุณต่อเราว้ครั้งภาษาอังกฤษที่บอกว่าเช็ค for granted ที่แปลว่าทึกทักเอาแล้วเราบางครั้งก็เผลอพผลเราเข้าใจว่าเราสมควรจะต้องได้รับโดยไม่ต้องขอโดยไม่ต้องทำอะไรเลยพระเจ้าควรจะให้กับเราเพราะว่าพระเจ้าสร้างเรา และพระเจ้ารักเราแต่เป็นเรื่องที่น่าเศร้าทีเดียวมีเรื่องเรื่องหนึ่งเล่าก่อนว่ามีต้นไม้อยู่ต้นหนึ่งนะคะเป็นต้นไม้ที่ใหญ่แล้วก็มีกิ่งก้านสาขาแผ่ออกไปใหญ่โตเหมือนกับต้นที่อยู่หน้าโบสถ์เรานะคะต้นหน้าโบสถ์เหล่านี้ก็จดทะเบียนกับกรทมแล้วนะคะเป็นต้นไม้ใหญ่ที่มีอายุมากนะคะเราจะต้องดูแลรักษาเหมือนกับ คนสูงอายุคนหนึ่งนะคะต้นไม้ใหญ่นี้ได้มีเด็กชายเล็กๆคนหนึ่งเนี่ยชอบมาเล่นและปีนป่ายต้นไม้นี้เป็นประจำตั้งแต่เล็กแล้วก็ต้นไม้นี้ก็มักจะคุยกับเด็กคนนี้ว่ามาสิเธอมาเล่นกับฉันโดยการปีนอยู่บนต้นไม้นั้นเวลาก็ค่อยๆผ่านไปเด็กเล็กๆคนนี้ก็เติบใหญ่ แล้วก็ไม่มาเล่นกับต้นไม้นั้นเหมือนเดิมอีกต่อไปจนวันหนึ่งผู้ชายคนนี้ได้กลับมาหาต้นไม้นี้ด้วยใบหน้าที่เศร้าหมองต้นไม้ก็พูดกับเขาว่ามันเล่นกับฉันสิต้นไม้นั้นร้องชวนแต่ผู้ชายคนนั้นบอกว่าฉันไม่ใช่เด็กๆอีกแล้วนะฉันไม่เล่นกับต้นไม้อีกต่อไปแล้ว เขาก็ตอบกลับไปอย่างฉุนเฉียวเล็กน้อยฉันอยากได้ของเล่นแต่ฉันไม่มีเงินจะซื้อของเล่นต้นไม้หาทางออกใ ห, ให้กับผู้ชายคนนั้นด้วยการบอกกับผู้ชายคนนั้นว่าฉันไม่มีเงินจะให้เธอเอาอย่างนี้สิเธอมาเก็บผลไม้บนต้นไม้ของฉันแล้วก็เอาไปขายแลกเอาเงินไปซื้อของเล่น ผู้ชายคนนั้นก็เลยปีนป่ายขึ้นไปแล้วเก็บผลไม้มากมายเอาไปขายแล้วก็ไปซื้อของเล่นแล้วเขาก็เป็นสุขแล้วก็หายตัวไปเวลาผ่านไปเขาไม่ได้กลับมาเล่นกับต้นไม้นั้นอีกแล้ววันหนึ่งเขาก็กลับมาแล้วก็ด้วยใบหน้าอันโศกเศร้าเสียใจอีกครั้งหนึ่ง แล้วต้นไม้นั้นก็ชวนเขาอีกว่ามันเล่นกับฉันอีกสิฉันไม่ได้เจอเธอตั้งนานแล้วผู้ชายคนนั้นก็บอกว่าฉันไม่มีเวลาจะมาเล่นกับเธอเพราะว่าฉันต้องทำงานเลี้ยงดูครอบครบัวของฉันฉันต้องการบ้านสําหรับที่อยู่อาศัยและครอบครัวของฉันเจ้าจะช่วยฉันได้ไหมต้นไม้นั้นก็ตอบว่าเสียใจด้วยนะ ฉันไม่มีบ้านให้เธอเหรอกแต่ฉันสามารถให้เธอตัดกิ่งไม้กิ่งก้านของฉันซึ่งมีเยอะมากเนี้ยไปปลูกบ้านได้เลยต้นไม้ก็แสนจะดีเสนอความคิดนั้นชายคนนั้นก็ตัดกิ่งไม้จำนวนมากแล้วก็เอาไปสร้างบ้านแล้วก็จากไปอย่างมีความสุข แต่ต้นไม้นั้นก็ไม่เห็นเด็กผู้ชายคนนั้นอีกต่อไปอยู่มาวันหนึ่งผู้ชายคนนั้นก็กลับมาต้นไม้ก็รู้สึกดีใจมากที่ได้เห็นหน้าผู้ชายคนนี้อีกครั้งหนึ่งมาเล่นกับฉันเถอะต้นไม้นั้นก็บอกกับผู้ชายคนนั้นแต่ผู้ชายกลับตอบว่าตอนนี้ฉันแก่แล้วและไม่มีความสุขเลยฉันอยากจะัยเรือเล่นให้สบายใจ เพราะว่าฉันทำงานหนักมากแต่ฉันไม่มีเงินพอที่จะไปซื้อเรือสกักลำหนึ่งเจ้ามีเรือให้ฉันไหมต้นไม้นั้นก็เลยบอกว่าเธอก็ตัดเอาต้นไม้ก็คือตัดตัวฉันและเอาไปสร้างเรือแล้วก็พายเรือสิฉันยินดีให้เธอตัดต้นตัดตัวฉันและเอาไปสร้างเรือลําใหญ่ที่เธออยากจะได้และแล้วผู้ชายคนนั้น ก็ได้สร้างเรือขึ้นมาจากต้นไม้แล้วก็พายเรือออกไปอย่างมีความสุขแล้วก็ก็ไม่กลับมาหาต้นไม้นั่นอีกอยู่มาวันหนึ่งผู้ชายคนนี้ก็กลับมาหาต้นไม้นี้อีกครั้งหนึ่งต้นไม้พูดกับเขาว่าตอนนี้ฉันไม่มีอะไรจะให้กับเธอแล้วนะ เพราะว่าตัวลําต้นฉันก็ไม่เหลือแล้วเพราะเธอตัดออกไปสร้างต้นไม้ตัดไปสร้างเรือไปสร้างบ้านก็เหลือแต่ตอไม้แห้งๆฉันไม่มีอะไรเหลือแล้วผู้ชายคนนั้นก็บอกกับเขาว่าเพราะว่าเขาแก่เท่าชะลาแล้วไม่ต้องเป็นห่วงหรอกฉันไม่มีฟันจะเคี้ยวแล้วฉันแก่มากแล้ว ฉันไม่มีอะไรเหลือสําหรับฉันไม่มีอะไรเหลือแล้วฉะนั้นสิ่งที่ฉันต้องการก็คือที่ที่ฉันจะได้นอนพักให้หายเหนื่อยและพักสงบต้นไม้นั้นก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นก็ดีเลยรากของต้นไม้ที่กําลังเหี่ยวแห้งก็เหมาะสำหรักที่จะนั่งพักในที่สุดมาเถอะมานั่งพักให้สบายใจ มานั่งเล่นกันและแล้วผู้ชายคนนั้นก็พักอยู่ที่ตอต้นไม้นั้นจนวาระสุดท้ายของชีวิตวัยครั้งทีเดียวถ้าเราเปรียบพระเจ้าเหมือนกับต้นไม้ดังนั้นก็คิดว่าวัยครั้งทีเดียวทันทีเดียวนะคะที่เราเข้าหาพระเจ้าวิงวอนชูลขอ แล้วก็ขอความช่วยเหลือจากพระเจ้านานับประการในชีวิตของเราต้องเรียกว่าไม่รู้จักจบจากสิ้นแม้แต่เรื่องที่เราช่วยตัวเองได้ไปจนถึงเรื่องที่เราช่วยตัวเองไม่ได้อันที่จริงแล้วพระเจ้ายิ่งเป็นยิ่งกว่าต้นไม้นะคะจริงอยู่พระองค์เป็นทุกสิ่งอย่างและพระองค์ยิ่งใหญ่สูงสุดพระองค์มีอำนาจพอที่จะประทานทุกสิ่งให้กับเราได้แต่ขึ้นอยู่กับว่าสิ่งที่เราได้รับ เรารู้สึกสำนึกในพระคุณนั้นหรือไม่หรือเราสักแต่รับผลประโยชน์และสิ่งที่เราต้องการเท่านั้นเป็นเรื่องที่น่าเศร้าถ้าหากว่าเราจะรับพระคุณของพระเจ้าเพียงเพราะเป็นความปรารถนาส่วนตัวของเราเท่านั้นอยากให้เราเรียนรู้ที่จะเป็นการดีที่สรรเสริญพระเจ้าในยามที่เราสำนึกในพระคุณของพระองค์ ให้ทุกสิ่งยอย่างตั้งแต่เรื่องเล็กที่สุดไปจนถึงเรื่องใหญ่ในชีวิตของเราเป็นสิ่งที่เราจะสำนึกอยู่เสมอว่ามาโดยพระคุณของพระเจ้าประการที่สองเป็นการดีที่เราจะสรรเสริญพระเจ้าในยามสงครามมันเกี่ยวข้องอะไรกับการสรรเสริญพระเจ้าเป็นสงครามฝ่ายจิตวิญญาณในพมพีตอนนี้นะคะ ในโคลสีบทที่สามถ้าเรามีโอกาสได้อ่านย้อนขึ้นไปอีกสักนิดหนึ่งในข้อแปดถึงข้อที่สิบได้เขียนไว้ว่าแต่บัดนี้สารพัดสิ่งเหล่านี้ท่านจงเปลื้องทิ้งเสียคือความโกรธการขัดเคืองการคิดปองร้ายการพูดให้ร้ายคำพูดหยาบโลนยาพูดมุสาต่อกันเพราะว่าท่านได้ปลดวิสัยมนุษย์เก่ากับการปฏิบัติของมนุษย์นั้นเสียแล้ว และได้สวมวิสัยมนุษย์ใหม่ที่กาลังทรงสร้างขึ้นใหม่ตามพระฉายของพระองค์ผู้ทรงสร้างให้เรารู้จักกับพระเจ้าเรามีสงครามฝ่ายวิญญาณอยู่ทุกวันเลียนชว่าในตัวเราเราพูดกับตัวเองว่าอย่างไรเราจะคิดดีหรือจะคิดไม่ดีเราจะรักหรือเราจะให้อภยัย เราจะโกรธหรือเราจะให้อภยัยมันมีการต่อสู้ในชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณของเราเสมอในฐานะที่เราเป็นมนุษย์คนบาปคนหนึ่งแน่นอนเราไม่ได้คิดดีอยู่ตลอดเวลาอย่างแน่นอนว่านอาจารย์เปาโลบอกสิ่งดีที่อยากทำข้าพเจ้าก็กลับทำไม่ได้แต่สิ่งที่ไม่ดีข้าพเจ้ากลับควบคุมตัวเองว่าไม่ให้มันทำก็ไม่ได้อีก มันไปทำโดยอัตโนมัติพูดปลดคิดไม่ดีมันเป็นไปโดยอัตโนมัติแต่ขอบคุณพระเจา้าที่อาจารย์เปโลเขียนไว้ว่าจงในเอเฟซัสบทที่ห้าข้อสิบหกจงช่วยโอกาสเพราะว่าทุกวันนี้เป็นการที่ชัว่วอย่าเป็นคนโง่เขลาแต่จงเข้าใจถึงน้ำพระทยัยขององค์พระผู้เปนเจ้าว่าเป็นอย่างไรและอย่าเมาเล่าองน่นซึ่งจะทาให้เสียคน แต่จงประกอบไปด้วยพระญญาณจงปราศัยกันด้วยเพลงสดุดีเพลงนมัสการและเพลงสรรเสริญคือร้องเพลงสรรเสริญและสดุดีจากใจของท่านทวายแด่องค์พระผู้เป็นเจา้าคุณจะเห็นว่าทั้งเอเฟซัสและโคลอสีเนี่ยนะคะเป็นจดหมายฝากของอาจารย์เปาโลจะพูดถึงความสัมพันธ์ของกฤิ่จักรของพี่น้องหรือธรรมิกชนในกลิ่นจักรเสมอและพูดถึงการที่เราปฏิบัติต่อกันและกันที่เราจะต้องพึงระวัง และทุกครั้งก็จะจบไปด้วยไม่ว่าคุณจะทำอะไรและคุณจะเลือกทำอะไรจะเชื่อพรหมญาณเร็สุดหรือจะเชื่อเนื้อหนังของตัวเองอาจารย์เปาโลก็จะให้เราจบลงที่ให้เราร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าเป็นเรื่องแปลกประหลาดไหมคะว่าการสรรเสริญพระเจ้าช่วยเราพบกับชัยชนะในสงครามฝ่ยายจิตวิญญาณนี้อย่างไรนั้นคิดว่า สาวกแท้ของพระเยซูคริสต์เราจะต้องเอาชนะตนเองแน่นอนในสงครามฝ่ายจิตวิญญาณนี้เราต้องเลือกที่จะเป็นผู้ชนะไม่ใช่ผู้แพ้เพราะว่าพระเยซูคริสต์เจ้าของเราชนะความตายและพระองค์ทรงมีชัยชนะเหนือมารลายและเหนือโลกนี้พระองค์ไม่ใช่ผู้แพ้ถ้าคุณมีความเชื่อเช่นนั้นคุณเลือกที่จะเป็นฝ่ายชนะและการที่เราจะเป็นฝ่ายชนะได้เราจะต้อง จดจ่ออยู่กับพระเจ้าให้มากยิ่งขึ้นในขณะที่เนื้อหนังเราก็แรงมันยากนะคะที่เราจะเลิกหรือปลดวิสัยหรือเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ยันคิดว่าเป็นเรื่องยากมากในการที่เราจะเปลี่ยนกำมลสันดาลของเราเองเรารู้จักตัวเราดีแต่มีพระเจ้าเท่านั้นที่สามารถให้เราเอาชนะตนเองและแบกกังเขนติดตามพระคริสต์ได้ แต่เราต้องเลือกที่จะต้องใช้กลยุทธ์หรือเคล็ดลับบางสิ่งบางอย่างเพื่อทําให้เราชนะให้เร็วที่สุดไม่ใช่เป็นคนที่ชนะอย่างเหมือนรอดจากไฟอ่ะค่ะรอด แ, แล้วก็ดูเหมือนหมดเรี่ยงหมดแรงดูสิ้นสภาพพระเจ้าทรงให้เคล็ดลับนี้กับเราแม้แต่กษัตริย์ดาวิดนะคะถ้าเราดูในสดุดิโบทที่ห้สบเอ็ดถ้าใครมีพระครมพีดีเอชขอเชิญชวนเราอ่าน และดูในสดุดีบทที่ห้าสิบเอ็ดข้อเจดถึงสิบห้าซึ่งเป็นสดุดีที่หลายๆคนบอกว่าดาวิดเขียนขึ้นในเวลาที่ผู้เผยพวจนะคือนาทันมาเผชิญหน้ากับท่านแล้วก็มากล่าวโทษท่านที่ท่านได้ร่วงประเวณีโดยการเอาเมียของคนอื่นคือนางบัตเชบา มาเป็นเมียของตัวเองก็คือทําผิดในการร่วมบรเวณีแล้วก็สั่งให้สามีของนางแบทเชบาออกรบเพื่อไปสู่ความตายรู้อยู่แล้วถ้าออกรบครั้งนี้สามีของนางแบทเชบาไม่กลับมาแน่นอนแล้วดาวิดจะได้ครอบครองนางแบทเชบาดาวิดไม่ได้ทําบาปแค่ร่วมประเวณีนะคะดาวิดฆ่าคนดาวิดคิดร้าย ดาวิดคิดการร้ายแล้วแระเดียวกันพระเจ้าได้ทรงพระเมตตาให้ผู้เผยพระวจนะมากล่าวตักเตือนดาวิดณเวลานั้นขอบคุณพระเจ้าค่ะดิฉันเชื่อแน่ว่าดาวิดมีการต่อสู้กับเนื้อหนังตัวตัวเองอย่างมากกว่าจะได้นางบัตเชบามาเป็นภรรยาของตัวเองกว่าที่ตัวเองจะปดปิดความผิดที่ได้ทำไว้หลายเรื่องได้สาเร็จ แต่ดาวิดเลือกที่จะกลับใจใหม่และสารภาพบาปด้วยบทเพลงสาุดีที่ห้าสิบเอ็ดนี้ดิฉันอ่านแล้วดิฉันขนลุกงิฉ้นอยากจะอ่านให้ฟังเพื่อให้เราเข้าใจว่าในชีวิตจริงเราก็เป็นเหมือนกับดาวิดเหมือนกันในข้อที่เจ็ดได้กล่าวว่าขอทรงชำระข้าพระองค์ด้วยต้นหุศกข้าพระองค์จึงจะสะอาด ขอทรงล้างข้าพระองค์และข้าพระองค์จะขาวกว่าหิมะขอทรงโปรดให้ข้าพระองค์ได้ยินความชื่นบานและความยินดีขอกระดูกซึ่งพระองค์ทรงหักนั้นเปลมปลี่ขอทรงเมือนพระพักพระองค์จากบาปทั้งหลายของข้าพระองค์เสียและทรงลบบรรดาพระความบาปสิ้นของข้าพระองค์ ข้าาแต่พระเจ้าขอทรงสร้างใจสะอาดภายในข้าพระองค์และฟื้นน้ำใจที่หนักแน่นขึ้นใหม่ภายในข้าพระองค์ขออย่าเวียงข้าพระองค์ไปเสียจากเบื้องพระพักของพระองค์ขออย่าทรงนำวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ไปจากข้าพระองค์ขอทรงคืนความชื่นบานในความรอดแก่ข้าพระองค์ขอชูข้าพระองค์ขึ้นไว้ด้วยเต็มพระไทย แล้วข้าพระองค์จะสอนผู้ละเมิดทั้งหลายถึงบรรดาพระมารรคาของพระองค์และคนบาปทั้งหลายจะกลับสู่พระองค์ข้าแต่พระเจ้าคือพระเจ้าแห่งความรอดของข้าพระองค์ขอทรงช่วยกู้ข้าพระองค์ให้พ้นจากกรรมชั่วเพราะทําโลหิตเขาตกและลิ้นของข้าพระองค์จะร้องเพลงเรื่องการช่วยกู้ของพระองค์ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าขอทรงเบิกลิ้น ฝีปากของข้าพระองค์และปากของข้าพระองค์จะสำแดงการสรรเสริญพระองค์เวลาที่เรารู้สึกสำนึกผิดและรู้สึกจมอยู่ในความบาปยากนะคะที่เราจะร้องเพลงสรรเสริญยากยิ่งนักที่เราจะยกย่องพระเจ้าพระเจ้าแห่งความรอดได้แต่ดาวิดได้ทำให้เราเห็นว่าเมื่อมนุษย์เผชิญกับความบาปเราต่อสู้ฝ่ายวิญญาณ สงครามนี้ชัยชนะอยู่ตรงหน้าเมื่อเราสารภาพบาปและยกย่องพระเจ้าผู้ทรงอภัยบาปให้กับเราไม่ใช่หน้าที่ของเราที่จะทำตัวให้ดีเพราะว่าเราทำให้ตัวเองเป็นคนชอบทำไม่ได้นอกจากพระเจ้าจะทรงโปรดให้เราเป็นคนชอบทำเท่านั้นขอบคุณพระเจ้าที่ดาวิดเป็นคนหนึ่งที่ทำให้เรารู้ว่าในสงครามนี้ชนะได้ ด้วยการเปิดปากริ้นของเราสรรเสริญพระเจ้าและยกย่องพระเจ้าผู้ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเราประการที่สามเป็นการดีที่จะราจสะสรรเสริญพระเจ้าในยามทุกขยากลำบากเราอาจจะคุ้นกับการร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าในเวลาที่ปกติสุขเวลาชื่นบานเวลาที่เราไม่มีความทุกเวลาที่เราไม่เจ็บป่วย เวลาที่เราไม่กังวลใจเรื่องธุรกิจเรื่องการงานเรื่องครอบครัวเราจะรู้สึกเราเปิดปากร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าได้ง่ายมากแต่พระวจนะของพระเจ้าได้เชิญชวนเราว่าให้เราได้อย่ากลัวที่จะเผชิญกับความทุกข์ยากเพราะความทุกข์ยากในเพิ่มพีบอกนะคะพระเจ้าอนุญาตให้เกิดการทดลองและความทุกข์ยากกับชีวิตของเรา แล้วมันจะอยู่กับเราแค่ประเดี๋ยวประดาวมันจะไม่อยู่กับเรานานหลายๆครั้งเราอาจจะไม่นิ้นคิดว่าไม่ใช่หลายๆครั้งหรอกทุกคนเราเลือกที่จะอยากจะอยู่สบายมากกว่าความทุกข์ยากแต่ในพระคําของพระเจ้าก็ได้ชูใจเราว่าอย่ากลัวความทุกข์ยากนั้นมีเรื่องเล่าว่าผู้ชายคนหนึ่ง ไปนั่งจ้องรังไหมตัวอ่อนของผีเสื้อแล้วจ้องอยู่เป็นชั่วโมงนะคะเพราะเห็นว่ารังไหมนั้นน่ะมันมีการเคลื่อนไหวกระดุกกระดิกแสดงว่ามีสิ่งมีชีวิตอยู่ในนั้นก็คือผีเสื้อกําลังจะออกจากรังไหมนั้นแล้วมันก็มีรูเล็กๆปริออกมาแล้วเขาก็เห็นสิ่งมีชีวิตก็คือผีเสื้อนั้น กำลังดุกดิกดุกดกแล้วพยายามจะช่วยตัวเองให้ออกจากหลังใหมนั้นแต่ด้วยว่าเขาเขามีความรู้สึกว่าสิ่งมีชีวิตในนั้นเนี่ยเดี๋ยวก็ดุกดิกเดี๋ยวก็หยุดนิ่งเหมือนกับหมดเรี่ยวแรงในการที่จะช่วยตนเองออกจากรลังไหม่นั้นในที่สุดผู้ชายคนนี้ก็เลือกตัดสินใจด้วยความสงสารเขาก็เลยเอากันไกลเล็กๆมาช่วยแซะหลังไหม ให้รูมันใหญ่ขึ้นเพื่อที่จะช่วยให้ผีเสื้อน้อยนี้ออกมาเร็วขึ้นปรากฏว่าเมื่อเขาแสะลังไหมน่นนะคะผีเสื้อนั้นก็หลุดออกมาได้จริงแต่ด้วยลําตัวของมันกลมก้วนนะคะเหมือนกับยังกลมกลมอยู่อะคะ่ะรูปฟอร์มของมันเนี่ยดูเหมือนแบบพยายามจะติ้นหลน่น และในที่สุดด้วยความหวังว่าเขาจะเห็นผีเสื้อนั้นหลุดออกจากเมื่อหลุดออกมาจากงใหม่แล้วจะสามารถบินได้ในที่สุดแต่ปรากฏว่าผีเสื้อน้อยนั้นต้องเดินละคลานไปมาด้วยสภาพร่างกายบวมกลมและปีกแห้งเล็กที่ไม่มีโอกาสจะได้บินอีกในที่สุด ผู้ชายคนนั้นก็รู้สึกเศร้าใจมากเพราะว่าผีเสื้อตัวนั้นไม่สามารถบินได้แล้วมันก็ตายในที่สุดเพราะว่าอะไรล่ะคะธรรมชาติได้กำหนดมาแล้วว่าตัวอ่อนจะออกไปเผชิญโลกได้ก็ต่อเมื่อของเหลวในร่างกายลดน้อยลงจนลำตัวมีขนาดสมดุลพอกับปีกเหล่านั้น จึงจะสามารถลอดออกมาจากช่องว่างขนาดเล็กของลังไยได้เองและถ้าตัวอ่อนได้ผ่านการดิ้นรนจนถึงเวลานั้นมันจะเติบโตเป็นผีเสื้อตัวใหญ่ได้ที่พร้อมจะโบยบินจากลังไยด้วยอิสรภาพและโดยแท้จริงแล้วชีวิตต้องผ่านอุ ป, ปสรรคจึงจะประสบ กับการเติบโตได้แต่ผู้ชายคนนั้นได้เป็นเร่งการเติบโตของผีเสื้อตัวนั้นในที่สุดมันไม่สามารถโตมันมีแต่ตายในชีวิตเกษียนของเราอย่า ก, กลัวความยากลำบากนะคะมันเป็นหนึ่งขบวนการที่พระเจ้าจะให้เราเติบโตในความเชื่อกับพระเจ้าฉะนั้นอย่ารอแต่ ขออยู่สบายๆอยู่เซฟตี้โซนยินจาได้ว่าอาจารย์ศึกษาถ้าคุณมีโอกาสได้อ่านสุจิบัตรรอบเช้านะคะจะมีคำเทศนาของอาจารย์ในเรื่องของอการที่เรามักจะเลือกที่จะอยู่ในเซฟตี้โซนของเราคือที่ที่เราปลอดภยัยเราไม่ค่อยเลือกที่จะอยู่ในที่ลำบากถ้าเราตัดสินใจได้เราไม่อยากออกไปประกาศถ้าเราตัดสินใจได้เราไม่อยากต้องใช้ความเชื่อมากถ้าเราตัดสินใจได้เราก็ไม่อยากจะต้องเสี่ยง ในบางเรื่องในความเชื่อแต่ในพระวจนะของพระเจ้าบอกกับเราดังว่าเตือนเรานะคะว่าอย่า ก, กลัวเพราะพระเจ้าอยู่กับเรามีคนจํานวนมากในพัมพีนะคะหลายหลายคนที่ชัดเจนมากเลยในเวลาที่เขาพบกับวิกฤตแห่งความทุกข์ยากเขาเลือกที่จะพึ่งพระเจ้าด้วยการสรรเสริญพระเจ้าเหมือนเปาโลกับซีล拉สในคุกฟิลิปปี ในกิจการบทที่สิบกทั้งสองคนถูกจับในฐานะที่มาพูดเรื่องราวของพระเจ้าในในเมืองที่เป็นเมืองชาวต่างด้าวหรือคนต่างชาติแล้วทั้งสองคนถูกคือขังไว้นะคะมันนักโทษอุจกรระเลยแล้วในเวลาเที่ยงคืนนั่นเองซีลากับเปตโตรเออเปาโลกับซีลาดก็เลือกที่จะร้องเพลงนมัสการพระเจ้าอธิษฐานและสรรเสริมพระเจ้า จนในที่สุดคุกของธรณีประตูนั้นนะคะสั่นจนประตูคุกนั้นเปิดออกทุกบานและนักโทษหนีออกมาได้หมดเลยและในค่ำคืนนั่นเองความทุกข์ยากที่เขาได้รับนั้นนะคะเป็นแผนการของพระเจ้ามันไม่ได้เป็นเพื่อทุกผลภาพของเขาในที่สุดเขานำนายคุกและครอบครัวของนายคุกมาเชื่อพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าจริงๆค่ะ และครอบครัวของนายคุกนี้คือหนึ่งครอบครัวทามิกชนที่แข็งแรงมากในคดจักรฟิลิปปีขอบคุณพระเจ้าที่เกิดเหตุการณ์คุกยากแล้วทั้งสองท่านเลือกที่จะสรรเสริญพระเจ้าและแม้แต่นางฮันนาที่อยู่ในหนังสือหนึ่งซามูเอลฮันนาคือแม่ของซามูเอลซึ่งเป็นผู้เผยโวชนะนางฮันนาเป็น ผู้หญิงที่เป็นเหมือนเป็นหมันและทุกครั้งที่นางไปที่พระวิหารเธอก็จะไปร้องไห้วิงวอนทูลขอให้เธอมีลูกเพราะเป็นเรื่องน่าอับอายสำหรับชนชาติอิสราเอลถ้าผู้หญิงที่ไม่มีลูกเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าอายไม่มีบุตรที่จะสืบทอดตระกูลของตัวเอง แล้วเธอก็ถูกเมียน้อยของสามีนั้น ย, ออย่ยหยันอยู่เรื่อยๆแล้วเธอรู้สึกทุกข์ใจมากในที่สุดพระเจ้าฟังคำไม้ฐานของฮันนาหันนาได้บุตรชายคือซามมเอลแต่นางได้ตกลงกับผู้เผยโภชนะไว้แล้วผู้รับใช้ของพระเจ้าว่าเมื่อนางมีบุตรนางจะยินดียก บุตรชายของเธอคือซามูเอลให้เป็นนาสีก็คือเป็นผู้รับ ร, บรับใช้พระเจ้าในพระวิหารแล้วเมื่อนางคล อ, อดบุตรแล้วจนบุตรหย่านมแล้วนางได้เอาไปถวายกับพระเจ้าให้เป็นผู้รับใช้พระเจ้าลองคิดดูสิคะผู้หญิงคนหนึ่งที่รอคอยการมีมีบุตรเป็นเวลาหลายสิบปีแล้วในที่สุดพระเจ้าก็ให้บุตรกับเธอ แล้วเธอก็ต้องเหมือนถูกเอาหุธไปจากเธอไปอยู่กับคนอื่นเฉยๆซามูเอลต้องไปเติบโตในพระวิหารกับครอบครัวผู้รับใช้พระเจ้าแทนที่จะอยู่กับเธอแต่นั้นจะบอกว่าฮันนาเป็นคนหนึ่งที่แต่งบทเพลงสดุดีแห่งการสรรเสริญในหนึ่งซาโมเอลบทที่สองถ้าคุณมีโอกาสได้กลับไปอ่านเป็นบทเพลงบทเดียวกันที่นางมารี ผู้ให้กำเนิดพระเยซูคริสต์ร้องบทเพลงนี้ในลูกาบทที่หนึ่งโค้ดมาจากพ้อมีเดิมเลยค่ะมาจากบทเพลงสรรเสริญของนางฮันนาะนางไม่รู้สึกว่านั่นเป็นความทุกข์ยากแต่นางรู้ว่านั่นคือแผนการของพระเจ้าที่ทำให้นางต้องทุกโศเพราะไม่มีบุตรแต่เมื่อมีบุตรที่พระเจ้าประทานให้แล้ว นางก็รู้ว่าแผนการของพระเจ้าที่จะใช้บุตรของเธอคือซาโมเอลเพื่อนผู้รับใช้พระเจ้าจะเป็นผู้เจิมกษัตริย์องค์แรกของอิสราเอลคือซาอูลและเป็นผู้หนึ่งที่จะนําชนชาติของพระเจ้าให้กลับมาหาพระเจ้านางยินดีที่จะทุกข์ยากเพราะวในที่สุดแผนการของพระเจ้าสําเร็จเยิต้องถามว่าในความทุกข์ยากนั้นเราเรียนรู้ที่จะยอมให้แผนการของพระเจ้าสำเร็จในชีวิตของเราหรือเปล่า ถ้าคุณจะทนได้นะคะเลี้นก็ให้เคล็ดลับนี้แ่ละค่ะจงสรรเสริญพระเจ้าเมื่อจิตใจของเราสรรเสริญพระเจ้าและจดจ่ออยู่กับพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดผู้ทรงพลานุภาพใจของเราความทุกข์หลายอย่างเราจะลดน้อยลงอย่างแน่นอนไม่ได้หมายความว่าไม่มีเลยเลี้นคิดว่าความเป็นมนุษย์ของเราเรารู้สารู้สึกรู้สาอย่างแน่นอนเรามีความกังวลใจมีความทุกข์ใจเป็นเรื่องปกติธรรมดาโลก แต่ความทุกข์โศกที่เรารู้ว่ามีแผนการของพระเจ้าเป็นสิ่งที่พระเจ้าจะได้รับเกียรติไม่ใช่เป็นการที่เราฟูมฟายแล้วก็ตบตีตัวเองแล้วก็โทษคนโน้นคนนี้โทษตัวเองจนเราลืมไปว่าแล้วพระเจ้ามีพระพรซ่อนเล้นอะไรให้กับชีวิตของเราบ้างเป็นการดีที่เราจะ สรรเสริญพระเจ้าในยามที่ทุกโศดหรือทุกยากลำบากเน้นอยากจะหนูนน้ำใจทุกๆท่านที่นี่นะคะชาวโลกดิฉันเพิ่งฟังคลิปอันหนึ่งสามีเปิดให้ฟังนะคะเนี่ไม่ขอบอกว่าข้างนอกคาถาเขาว่าไงเนาะชาวโลกเขามีคาถาจงรวยจงรวยจงรวยแล้วคนที่ ไม่มีพระเจ้าก็จะชอบมากเลยนะคะจงรวยเนี่ยทุกคนอยากได้ทั้งนั้นนะ่ะรวยเนี่ยเราอยากรวยเราไม่อยากลยากลำบากแล้วเราก็จะบอกกับตัวเองว่าจงรวยจงรวยจงรวยแต่ไม่รู้ว่ารวยอย่างไรนะคะแต่นี้นอยากจะให้คริสเตียนนะคะเราน่าจะมีเหมือนคำที่เราจะพูดเหมือนคาถาส่วนตัวของเรานะคะเป็นการดีที่จะสนับสนุนรรเป็นการดีที่จะสนรเสนิม เป็นการดีที่จะสรงเสริญไม่ว่าคุณในยามที่คุณสํานึกในพระคุณในยามที่คุณพบกับสงครามใจวิจิตวิญญาณและในยามที่คุณพบกับความทุกข์ยากลาบากดิฉันอยากจะขอจบด้วยคนจีนมีห้าคำที่สอนตัวเองกับลูกหลานว่าไม่ควรพูดคำเหล่านี้นะคะไม่ควรพูดหนึ่ง ยากเพราะคำว่ายากจะเป็นการบล็อกความสามารถชันชีของเราสองทำไม่ได้จะเป็นการขับไล่ตัวเราเองจากสิ่งที่เรากำลังทำอยู่และปิดกั้นการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆของเราสามท้อนะเพราะเพียงคำนี้ผุดขึ้นมาพลังทั้งหมด ในร่างกายและจิตใจของเราก็ถดถอยสูญสิน้นคำที่สี่ขี้เกียจไม่ควรแม้แต่พูดเล่นเพราะจะทำให้สร้างความไม่รับผิดชอบเกิดขึ้นในชีวิตคำที่ห้าอยากรู้ไหมคะคำอะไรทายไหมคะเหนื่อย ตอนหายใจเหนื่อยจังเลยพอพูดคำนี้มาไหลร่างกายจะตอบสนองทันทีความอ่อนแอนะคะจะเข้ามาทันทีแทนค่าความเข้มแข็งของเราห้าคำนี้คนจีนบอกว่าจะสอนว่าอย่าพูดมีอะไรนะคะยากทำไม่ได้ท้อขี้เกียจเหนื่อยนั้นอยากจะบอกว่า จิตเป็นนายกายเป็นเบามันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราบอกกับจิตใจเราว่าอย่างไรมันจะส่งผลไปที่ร่างกายของเราถ้าเราบอกกับตัวเองว่าวันนี้เราจะสรรเสริญพระเจ้าสิ่งดีจะเกิดขึ้นกับเราค่ะเนี่ยไม่ได้มาบอกว่าคาถานี้ทำให้คุณรวยคุณรวยคุณรวยไม่ใช่นะคะ จะเกิดสิ่งดีที่เป็นพระพรที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้ในพระวจนะของพระเจ้าจะอยู่กับเราอย่างแน่นอน <inner. S 1> เมื่อเราบอกกับตัวเราเองว่าเป็นการดีที่จะสรรเสริญพระเจ้าให้เราหันไปบอกคนข้างๆสิคะอีกครั้งหนึ่งเป็นการดีที่เราจะสรรเสริญพระเจ้าค่ะเป็นการดีที่เราจะสรรเสริญพระเจ้าเป็นการดีที่เราจะสรรเสริญพระเจ้าขอให้คาเหล่านี้ ได้ออกมาจากปากของเราในทุกสถานการณ์ที่เรารเผชิญอยู่ขอพระเจ้าจะได้รับเกียรติสูงสุดในการสรรเสริญจากพวกเรานะคะขอพระเจ้าไวพ้พรคะ่ะ